81. โจธนากถาว่าด้วยการฟ้องร้องเรื่องโจทด้วยอาบัติข้อ 153. สมัยนั้นพวกภิกษุชาวพุทธ์โจดภิกษุผู้ยังไม่ให้โอกาสด้วยอาบัติภิกษุทั้งหลายจึงนาเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงโจดภิกษุผู้ยังไม่ได้ให้โอกาสด้วยอาบัติ รูปได้โจทย์ต้องอบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายาเราอนุญาตให้โจทย์ขอโอกาสด้วยคําว่าขอท่านจงให้โอกาสผมใครจะพูดกับท่านดังนี้แล้วจึงโจทย์ด้วยอบัตเรื่องขอโอกาสก่อนโจทย์สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลดีงามได้ขอให้พวกภิกษุจาพบคีให้โอกาสแล้วโจทย์ด้วยอบัตพวกภิกษุจาว บ, บัคคีได้อาคาตแค้นเคืองคุกคามจะฆ่า ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงสร้างพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้โจดแม้เมื่อขอโอกาสแล้วพิจารณาดูบุคคลก่อนจึงโจดด้วยอบัติก่อนขอากาสต้องพิจารณาดูบุคคลสมไมนั้นพวกภิกษุชาวพุท ค, คิดว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลดีงามขอให้พวกเราให้โอกาสก่อน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 เราอนุญาตให้พิจารณาดูบุคคลก่อนจึงขอโอกาส